สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่อภิบาลนะครับในช่วงที่ผมกำลังทำารซูชช์เกี่ยวกับพระธรรมสุภาษิตอยู่นีขอพี่น้องที่จะรอนะครับสักประมาณอาทิตย์กว่ า, วาหรือสองอาทิตย์นะครับก็จะติดตามเรื่องของสุภาษิตได้อย่างสมบูรณ์พี่น้องครับในช่วงนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดโวยพรเมตตาพี่น้องแท้ทุกท่าน หลายคนกำลังออกไปเดินทางเพื่อที่จะทำหน้าที่หรือเพื่อที่จะพักผ่อนขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาไว้พ ร, พร้พอารักขาให้ทุกท่านจะมีความสุขและปลอดภัยด้วยในเช้าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องนั้นเขียนโดยท่านวิลเลียมแมคโดนลซึ่งท่านอาจารย์หมอเฮนรี่นั้นได้มอบต้นฉบับให้กับผมเป็นภาษาอังกฤษ นะครับและในขณะเดียวกันหลายปีต่อมาท่านก็ได้มีโอกาสหาผู้ที่แปลครับผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้เพราะว่าท่านเล่าใผมฟังนะครับว่าหนังสือเล่มนี้นั้นท่านได้รับนะครับและอ่านในขณะที่ท่านยังเป็นอนุชนอยู่และหนังสือเล่มนี้นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพ mm ี hmm. ่น้องครับทำอย่างไงถึงจะเป็นสาวกแท้ถ้าเราบอกว่าคลิกศาสนานั้นเป็นของแท้ นั่นก็หมายความว่าคริสเตียนนั้นจะต้องอุทิศถวายชีวิตแด่พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเรานั้นไม่ได้มองหาผู้ที่จะอุทิศแค่เวลาว่างเท่านั้นครับแต่พระองค์ทรงมองหาผู้ที่จะยกพระองค์ขึ้นเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเขาพระเยซูทรงมองหาผู้ที่ไม่นึกถึงตัวเองแม้แต่พระเยซูก็ไม่ได้ทรงนึกถึงพระองค์เอง เราจะต้องตอบแทนให้เหมาะสมกับการที่พระเยซูทรงพลีพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนครับเราจะตอบแทนให้เหมาะสมได้ก็โดยการยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงรักเรามากพอที่จะพอใจเมื่อเราถวายร่างกายทุกส่วนถวายชีวิตของเราทุกด้านรับใช้พระองค์พระเยซูทรงกวดขันผู้ที่ต้องการจะเป็นสาวกของพระองค์มาก มาถึงสมัยนี้นะครับเราเห็นว่าคริสเตียนนั้นจะอยู่อย่างสะดวกสบายเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนจนมองข้ามความต้องการของพระเยซูไปพี่น้องครับเรามักจะคิดถึงาศาสนาคริสต์เหมือนกับเป็นทางหนีรอดพ้นนรกได้และรับประกันให้เราได้ว่าสวรรค์มีจริงและเราจะได้ไปสวรรค์เราคิดว่าเรามีสิทธิทุกอย่างจะชื่นชมต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตจะยื่นให้ เรารู้ว่ามีข้อความในพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องของการเป็นสาวกได้อย่างหนักแน่นแล้วเราก็เห็นว่าความคิดของเราถึงเรื่องชีวิตคริสเตียนนั้นก็เข้ากับข้อความเหล่านี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้นะครับพี่น้องครับความจริงเราต้องยอมรับนะครับว่าทหารเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อชาติเพราะความรักชาตินะครับไม่น่าแปลกนะครับที่กระบวนการอุดมการต่างๆทางการเมืองยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อ อุดมการทางการเมืองแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตีย น, นะครับเรากลับไม่คิดว่าความยากลำบากและความทุกข์ยากอย่างเดียวกันนั้นควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนพอหลายครั้งทีเดียวคริสเตียนนะครับแทบจะทุกคนนะครับไม่อยากผ่านความทุกข์ยากลำบากหรือความยากหรืออุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นพระเยซูนะครับทราบความจริงเรื่องนี้และพระองค์ก็ตรัสไว้อย่างชัดเจนครับ น้ำมัทยของโปรงก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นแม้ว่าเราจะมีสันรีสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่กระนั้นก็ดีเราเองนั้นจะต้องพร้อมที่จะผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆนะครับพระผู้ช่วยให้โลดลอดของโลกนั้นนะครับตรัสว่าสาวกจะต้องทำอะไรบ้างประการแรกครับเขาจะต้องรักพระเยซูให้มากที่สุดครับ พยชู ต, ตัดไว้ในรูกาบท 14, ที่สิบี่ข้อที่ยี่สิบหกบอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเกลียดชังพ่อแม่นะครับเราต้องเกลียดชังบุตรภรรยาของเราเราต้องเกลียดชังมีหรือมีเจตนาร้ายต่อยากริน้องของเราแต่นี่หมายความถึง เราควรจะรักพระเยซูนะครับมากที่สุดมากจนกระทั่งความรักอื่นๆนั้นเหมือนกับหรือกลายเป็นคล้ายๆกับว่าเราไม่รักนะครับความรักอื่นๆที่เราเคยรักคนอื่นๆนั้นนะเหมือนกับเราไม่รักครับหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเกลียดไปนะ้นแล้วเปรียบเทียบกับความรักที่เรามีกับพระเยซูเพราะฉะนั้นนี่คือไคเปอเบรรี่หรือการใช้สำนวนของพระเยซูนะครับในเชิงที่ว่าพูด นะครับพูดในลักษณะของการสร้างภาพให้เห็นแบบว่าสร้างภาพใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินความจริงนี่คือการไฮเปอร์โบเลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเทียบกับความรักของเราที่มีต่อพระเยซูนะครับคำที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากมากในข้อนี้ก็คือว่าแม้ทั้งชีวิตของตนเองครับนะความรักตัวเองนั้นเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเป็นสาวกของเรามากที่สุด เมื่อเรายอมสละชีวิตเพื่อพระเยซูแล้วเราจะต้องทําตามที่พระเยซูต้องการให้เราทําทีนั้นครับอย่าให้ความรักของเราเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเป็นสาวกของเรานะครับในวันนี้เรารู้นะครับว่าความรักตัวเองเป็นอุปสรรคของการเป็นสาวกมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมสละชีวิตของเรานะครับถวายแ ด, ด่พระเจ้าเพื่อที่เราจะทําตามที่พระองค์ต้องการให้เราทําประการที่สองครับก็คือว่า เขาจะต้องเอาชนะตัวเองเพียงนะครับพระเยซูได้กลัดไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิหกข้อยีสิบสี่บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ติดตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองการเอาชนะตัวเองนั้นไม่ได้หมายความว่าห้ามใจไม่กินอาหารบางอย่างนะครับหรือไม่ยอมสนุกสนานครับหรือยอมสลสร์ก้าวของแต่การเอาชนะตัวเองนั้นหมายความว่าต้องถวายตัว ครับยอมมอบถวายตัวเองให้กับพระเยซูอย่างสิ้นเชิงหมายความว่าเรานะครับขอไม่ใช้สิทธิ์ครับเราขอไม่ใช่อำนาจของเรานะครับเราขอไม่ครอบครองชีวิตของเราเองมีคนหนึ่งครับชื่อว่าเฮนรี่มาตินท่านกล่าวว่าพระเยซูเจ้าข้าขออย่าให้ข้าพเจ้าตั้งใจทําตามใจตัวเองขออย่าให้ข้าพเจ้าแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าภายนอก แต่ขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขกับสิ่งที่ได้ทําตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้อธิษฐานตามแบบอย่างของเฮนรี่มาตินครับนะครับขอให้เรากล่าวว่าพระเยชูเจ้าค่ะขออย่าให้ข้าพเจ้าตั้งใจทําตามใจตัวเองขออย่าให้ข้าพเจ้าแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าภายนอกแต่ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขและเป็นสุขกับการทำตามพระประสงค์ของพอระองค์เถิดประการที่สามครับสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องเลือกกางเขนนะครับเลือกเอากังเขนมัทธิวบทที่สิบหกข้อยี่สิบสี่บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามากางเขนนั้นไม่ได้หมายถึงร่างกายอ่อนแอรหรือทุกข์ใจครับเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ การเขนเป็นทางที่เราจะเลือกเดินอย่างรอบคอบเป็นทางที่โลกเห็นว่าไร้เกียรติและน่าหยันการเข็นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความละอายและการข่มเหงการถูกดุด่าว่ากล่าวคําประมาทที่พระเยซูพระเจ้าของเราต้องทนรับเอานั่นคือการเขนของพระเยซูในขณะเดีวยวกันครับการเข็นของเราก็ คล้ายๆกับของพระเยซูครับหลายครั้งที่ชีวิตของเรานั้นเมื่อรับใช้พระเจ้าหรือพยายามที่จะติดตามพระเยซูเราต้องถูกข่มเหงนะครับเราถูกด่าว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับรับความอายุติธรรมใครก็ตามนะครับที่เดินตามพระเยซูเลื่อมใสในพระเยซูจะหลีกเลี่ยงการเขนของตนก็ไม่ได้อันที่สี่ครับเขาต้องใช้ชีวิต ตามอย่างพระเยซูพี่น้องครับในมัทธิวบทที่สิบหกข้อยี่สิบสี่เหมือนกันครับถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับการเข่งของตนแบกและตามเรามาพี่น้องครับชีวิตตามพระเยซูคือชีวิตที่ติดตามอย่างใกล้ชิดครับเขาต้องถามตัวเองครับว่าพระเยซูอยู่อย่างไงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นพระเยซูมีชีวิตอยู่ด้วยการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า เปเยซูอยู่ด้วยฤทธิอานาจของพระยานบริสุทธิ์เปเยซูอยู่ด้วยการรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวเปเยซูอยู่ด้วยความอดทนอยู่อย่างอดทนทนต่อความทุกข์ยากท่ามกลางผู้ที่ทําผิดต่อพระองค์อย่างร้ายแรงเปเยซูอยู่อย่างใจร้อนรนยอมทําเพื่อคนอื่นเปเยซูอยู่อย่างรู้จักบังคับตัวเองสุภาพอ่อนน้อมเปเยซูมีความปราณีมีความสัตย์ซื่อ และการอุทิศตนนั่นเป็นผลของพระวินยานบดยสุดครับพี่น้องเราจะเป็นสาวกแท้ได้ก็ต้องเดินตามทางที่พระเยซูเดินเราต้องพิสูจน์ให้ใครๆเห็นว่าเราเป็นเหมือนพระเยซูยะครับในเช้าวันนี้นะครับผมฝากไว้สี่ประการครับคนที่จะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเขาต้องรักพระเยซูมากที่สุดครับคนที่เป็นสาวกของพระเยซู เขาจะต้องเอาชนะตัวเองคนที่เป็นสาวกของพระเยซูเขาต้องเลือกเอาการเข็นเดินตามพระเยซูไปนี่คือสี่ประการครับของการเป็นสาวกของพระเยซูในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาดูต่ออีกสามประการด้วยกันพี่น้องครับหวังว่าหลายวันที่กําลังจะมาถึงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะครับในการที่เราจะ เดินตามพระเยซูและเป็นสาวกแท้ของพระเยซูอาเมน